การปฏิบัติที่แรกถ้าจะว่าในเรื่องข้อวัดขององปูมันผู้ที่เคยภาวนาอะไรเจนเคยภาวนาพุโทโธก็ภาวนาแต่พุโทโธให้เห็นคุณในขะนั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาเมตตาก็ให้ภาวนาแต่เมตรตาให้เห็นคุณในขนั้นเสียก่อน ถ้าจะภาวนาลมหาใจเข้าออกก็ภาวนาตั้งติลมหายใจเข้าออกเห็นคุณในขณะแก่อ น, น, นแล้วแต่สะดวกในกรรมฐานทั้งสี่ที่พ่องหรือกะพิจารณาความตายเป็นอารมณ์กอตามก็ขอให้เห็นคุณในขณะนั้นเห็นลดเห็นชาติในขณนนะแก่อด ตอนข้อวัดปฏิบัติก็เป็นข้อสําคัญอยู่ข้อว่าปฏิบัติภายนอกซึ่งจัดเข้าในศีลวัดซึ่เรื่องเสนาชนะวัดก็จัดเข้าในศีลวั ด, ด, ด, ก, ววดก็จัดเข้าในหมวดศีลเช่นกีวลวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลคันตุกะวัดก็จัดเข้าในหมวดศีล และจวัดก็จัดเข้าในหมวดช่วมที่ถ่ายเฉนาสณวัดเป็นต้นวัวาดนานวัดก็จัดเข้าในหมวดสีสวัดอีกเหมือนกันตื่นขึ้นมาเลาเช้าต้องหัดไห่ตื่นปีสามัดไห่หลับ ในระหว่างสีทุ่มขึ้นไปอย่ารับก่อนสามทุ่มเว้นไว้แต่ก็ป่วยหรือเว้นไว้แต่มีเหตุคัดข้องบางกรณีเวลาก่อนจะนอนให้กราบพระสวดมนต์งเงียบจะสวดน้อยหรือสวดมากก็แล้วแต่เหตุการณ์ของเจ้าตัว อย่าให้กระทบกระเทือนผู้อื่นในการสวดมนต์ผู้ปฏิบัติอยู่ใกล้กันเมื่อสวดมนต์แล้วกราบพระแล้วจะนั่งภาวนาก็ตามจะเดินจะกมก็ตามแล้วแต่ถ้าพยายามอย่าให้หลับก่อนสี่ทุ่มเว้นไว้แต่ไม่เหตุจำเป็นเจ็บป่วยหรือไม่เหตุจำเป็นบางสิ่ง และอยาให้ตื่นหลังตีสามตีสี่ไปไม่ได้จะแก่ป่วยหรือมีการจําเป็นอันใดอันหนึง่งการนอนนอนตะแคงข้างขวาถ้าหากว่าเหนื่อยก็พลิกไปทางอื่นได้เคยภาวนา ย, ยัางไงก็ต้องภาวนายอย่างนั้นให้ติดต่ออยู่เคยบริกรรมอย่างไรก็บริกรรมอย่างนั้นให้ติดต่ อ, อ พอตื่นขึ้นมาแล้วในเวลาเข้าวถ้ามีครัาอาการยอยู่ด้วยพอได้เวลาแล้วก็เก็บปิ่งเก็บของลงไปในสาราปัดกวาดให้ดีหรือเราอยู่องค์เดียวในเวลาที่เราไปพักลีเวกแล้วก็ต้องมีควาวัดปัดกวาดเหมือนกันจะทิ้งไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราจะปัดกวาดน้อยหรือมากเท่านั้น แล้วแต่เหมาะสมที่เราสามารถจะทำได้ที่นี่เมื่อไปบินขบาดพอเวลาไปบินขบาดก็ภาวนาไปไม่จำเป็นก็ต้องไม่ไม่ต้องคุยกันเวลากลับต้มนั้นกันเวลาเตรียมฉันกลับมาแล้ว ก็ฉันในบาทรวมกันทั้งหวานทั้งขาวด้วยและพิจารณาีในอาหารในเวลาที่รวมลงในบาทว่าเราฉันเพื่อบำรุงกิเลสหรือเราฉันเพื่อปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรต่อคนทุกในวัฏสงสาร กระชานตนให้คัดเท้าก่อนเราชันเพื่อมันเข้าความหิวเท่านั้นไม่ในหวังเพื่อจะให้อ้วนให้ผีหรือให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนนักกล้ำนักมวยไม่ชันเพ่เล่นไม่ชันเพื่อปรารถนาให้ร่างกายอ้วนเพื่อให้ได้งับความหิวมาให้กำเริบเพื่อจะ ได้ประพฤติรมจรรย์คนทุกในวัชตะองสารสงน้อมไปอย่างนั้นเวลาชั้นเสร็จแนละ้วก็ร่างหมาที่ดีส่วนจะชั้นน้อยชั้นมากขึ้นอยู่กับความพอดีของตนเองถ้าเราชั้นน้อยเกินไปมันหิวจัดเราภาวนามันได้ความยังไง พอชั้นเก็ตนให้รู้จักถ้าเราชั้นมากเราภาวนาได้ความยังไง ถ, ถ้าเราถ้าถ้าเราชั้นพอดีเราภาวนาได้ความยังไงก็ต้องให้รู้จักในตนที่นี่เก็บของมาในที่พักเรียบร้อยต่อดถึงของโคบาอาจารย์หรือจัดเก็บของในเสนาสระให้เรียบร้อยปักกวดให้ดี แล้วไม่มีธุระจำเป็นเล่นไรแต่ธุระจำเป็นก็ภาวนาที่ต่อของคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แล้วแต่สะดวกข้ามานอนไม่พอมานอนได้แล้วพอถึงบ่ายสามโมงตอนกลางวัน แล้วก็กวาดลานวัดการกวาดลานวัดนั้นก็นึกบริกรรมภาวนาอยู่ด้วยเหมือนกันพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านท่านบอกว่าจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นพอแล้ววิชาปุกรูปพระเล็กพรน่อยให้ตื่นขึ้นก็ไม่มีในองค์ท่าน ถ้าท่านคิดว่าท่านตื่นแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วยังเหลือแต่พวกเรานั่นเองนอนหลับอยู่ท่านผูดอย่างนี้จะไปปลกให้ท่านเป็นยังไงมันจะเป็นบาปท่านพูดอย่างนี้ ท, นนนน ท, นนนทีนี่วิชาบวชพระพุทธรูก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านบวชแต่แท้หูแท้ตาแท้หูแท้ตาให้พระพุทธรูป ละทิที่บาปเป็นละทิของเจกจิอาการภายหลังผู้ที่เข้ามาถึงทำทำพิธีไปบวชให้พระพุทธ ร, รูปสมมติว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็กเสดสิ้นกันไม่มีการจะทําพิธีบวชหรือเสดสิอะไรท่านพูดอย่างนี้จะเขียนจะวาดก็ตามจะทํำด้วยไม้ด้วยอีกด้วยปูนหรืออะไรเข้าที่ศรัทธานี้ก็ตามแต่ว่าทําเป็นรูปแล้วก็ เป็นทพเทรุ่มเต็มภูมิช่แล้วไม่ต้องไปหาอบายเสกไม่ต้องไปหาอบายแค่หูแค่ตาขององค์ท่านเหมือนลาบจะไปบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนพวกเราแล้วเล่าดียังไงจึงไปบวชให้ท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ส่งเสริมเชียเลยเทวศาสตร์ไม่มี ไม่มีแกมปฏิบัติทาของของท่าเรื่องชาประนิกิัตรก็เหมือนกันสำหรับพระกรรมฐานท้ามาให้รอชาพระบรมศาสดาก็รอเพียงกิดวันเท่านั้นพระคอยพระมาหะกัจจปะถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่มาติ พระพิสุสงและชาวกูุงกุชินาเป็นวัติของเทวดามาในทิศทั้งสีต่างคาะที่บรรดาไม่ให้ไปติดจึงได้รอไว้ถึงเจ็ดวันก็พอดีพระมหากัจจปะมาแต่วพวกเราจะรอกันทำไมกันพูดอย่างนั้นให้คอยพระมหากัจฉิมหรือ การตัวอย่างนี้หรือเราปล่อยเอาตังขอต่างตัวอย่างเราหวบานมาหาตังหรืออะไรวุสิลาของพวกเราเขมีแล้วเราเรียนกันแล้วเราจะว่ายังไงให้กันกว่าเสียทีเมื่อเวลาเราไปบินธบาตเราก็มีบาทมีศิษ ท, ทุกคนแล้วเราจะคลอยกินอะไรกับพระผู้ตาย ท่านก็นละคาราวาทมาแล้วก็มีแต่บริการแปกเหมือนพวกเราจะคอยกินอะไรกรับท่านจะคอยเอาอะไรครับท่านทีผู้ที่ท่านล่วงลับไปเรามีหน้าที่แล้วก็พายาพายโยขังชาไปในกิจโดยด่วนเอาไว้ก็ทึบไม่ดีเสียสมาธิสมาบัติเสียปฏิปทา ในวัดเทตวันมหาวิหารถูกเขาพราะอยู่ประจำวันไม่ขาดในข้างพุทธองค์ใข้างพุทธการถ้าหาว่าเก็บสบรวอยก็ไม่มีคนดังที่จะใส่ฉันยกตัวอย่างมาอย่างนั้น เาจะว่าในส่วนปฏิัทาขอขหลงขู่มั่นแล้วกับสมัยทุกวันนี้เข้าที่ตาผมเห็นทั้งตาเห็นทั้งด้ยินด้วยทั้งได้พิจรารณาในใจด้วยไม่ได้ยินแต่คนอื่นว่าแล้วจับนำมาพูดเห็นประจําอยู่ด้วยกะหาย จะใกล้เคียงอยู่ก็หลวงปู่มหาเท่านั้นแต่หลวงปู่มหามีโยมมากนักโยมเนี่ยทั้งพระทีกศุนักทั้งแฉะพระนับทั้งแฉะโยมหลวงปู่มหาหลวงปู่มั่นนักแฉะพระแฉะโยมไม่หนักในสมัย ชองพันสี่ร้อยเก้าจสองแปดจเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าจุสองเกาจดสามก็ชารกิจขององค์ท่านในระหว่างนั้นก็มีโยมต่างทิศมาทำบุญร่วมองค์ท่านก็มีนางเงียบหูแท้โค้แท่แท้โค้กระดาษตลาดสีดาถนนวอญจับ กงเทพกับโรวชายนายพฤษฎกับนายวันคมนามมงจังหวัดนครราชสีมาาะนะส่วนทางจังหวัดน้องคลายก็มีคนหนึ่งจังหวัดสกลนครก็มีโยมนุ่ม แล้วก็มีอุดรบ้ามาตามสายท่านจะคุณทำให้ดีดีทีนี้พวกชาวโลกกตืูร่นกับพระกรรมฐานสมัยทุก ว, วันนี้ก็หลังจากศพหลวงปู่บ้านมาในเท่านั้นนอกจากนั้นพระกรรมฐานก็นรู้ว่าไม่ค่าก็อยู่กันแบบ เงียบๆไม่มีใครตื่นแท้เลยพากญาติโยมหรือฝ่ายพระ ก, ก็ดีแต่ว่าด้านจิตใจภายในของท่านเดนไปชุม่มเ้ปไปชุมปไปชุมกันที่ไหนก็กล่าวแต่เรื่องสมาธิสมาบัติพาะภิกษุสงฆซักชวนกันยินดีในวิเวก ยินดีในสันโดษยินดีสงัดชัสชวนกันทุกคิดทุกใจกันแต่ทุกวันนี้โกงข้ามเจ้าแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ชักจกล่าวเรื่องอีวันินทบาทเทนาสนะและเทพิ์เป็นส่วนมากที่นั่นรู้รอาที่นั่นคับแคด ที่นั่นสบายดีในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก่อนอัะคัาดมากแต่ขวัตเดนชวพัน 88, 89, 90, 91, 92, สี่ร้อยเจดสิบแปดแปดสิเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิสองพรพุทสงที่อยู่ในวัดขององค์ท่าน ก็มีเพียงปีละ 17-18 องค์ยมทันชาก็บอกไม้ไผ่ทำกระทนุนพอเห็นอาหารเนี่ยจึงตั้งได้สลาพอเป็นสลาฝากเดินกุกขับกุกขับเข้าที่ของตนแล้ว เ, เสร็จแล้วจึงตั้งกระทุนขึ้นได้เายแคันอยู่ ท่านไม่มีการพูดแค่เลยหลวงปู่มั่นคำเดียวก็ไม่พูดกึนงทางเข้าเสียก่อนจะพูดท่านก็ไม่พูดไม่ไม่ใช่เวลาจะพูดการพูดอย่างนั้นถ้าทุกสุกบางองค์ท่านก็ภาวนายอยู่เราอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตมามอำเภอใจของเรามัานก็ขัดขวางต่อผู้ภาวนาท่านปลารลอย่างนั้น ที่พิกซ์แลมณีนยังไม่ทันลงมือฉันหรือยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ฉันและที่ประาทานต้องท่านต้องรอต้องรอจะก่อดเนี่ยท่านท่านฉันอีกแล้วท่านก็ไม่รื้อตาท่านลุกเลยท่านก็ทันไม่ทันท่านก็ตาพลาดจะท่าก่อนละกำลังแยกออก ปละเพียวเลี้ยเกินไม่อืดอาดเหมือนพวกเราทุกวันนี้ไม่ได้ร่างบ่า้าจะสุกลงไปร่างบาาก็ได้ยินแต่เสียงร่างบ่าตลอดถึงจะทำบาาให้คลุ้งๆๆๆๆอย่างนี้ก็ไม่ทำเพระเสร็จแรกเข ของใครของมาไม่ทำเพื่อโยมขององค์ท่านมาวัดเขาเงียบสงัดเขาไม่ได้คุยกันเหมือนพวกเราเนี่ยแต่เขาเขาไม่จั้งหน้าว่าจะมารับอาหารในวัดตัวโยมมา เศษของพเขาแจกไปรับทานก็ทมนักเลกของเขาต่างหากเข า, เขาไม่มารับทานในในสลาที่พระชันอยู่นี่อ่ะที่สุดข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดสีคัญที่สุด พระรักสงบคนมาต่างทิศพอมาถึง mm hmm. เชนเขามานอนข้างคืนทำบุญอย่างนี้ mm hmm. เขาก็ไปนอนที่ไหนไม่ใช่ mm hmm. เขาไม่มายุ่งในวัด mm hmm. พอตื่นข้าวมา mm hmm. เขาก็จึงมาใช้บาตระหรือมีอาหารอะไร mm hmm. เขาก็เอามามีสิ่งที่จะบงังคับบุลเขาก็เอามา mm hmm. แต่ทุกวันนี้มันโงเันข้ามใช่ไ้ม แค่ให้เขานอนอยู่เมืนอี้ที่อาศัยก็ไม่ได้ดอีกเพราะโจรผู้ร้ายมันมากการพถสูจน์ต้องรู้จักว่าเขาพักไม่ใช่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยหรือไม่ไมต้องคับเขาแต่ปล่อยไม่ต้องหรอกถ้าโจรผู้ร้ายไม่มีเราจะพักที่ไหนก็ได้สะดวกไม่มีที่ไม่มีปลุนในระหว่าสองพันสี่รแปดสแปดแดสิบ้าเาสิบกาสิบกสิบสองกสิสาน่ะ หรือหลังไปกว่านั้นก็เหมือนกัน เป็นมืขวาของของค์ท่านในสมัยนั้นพวกผมก็ไม่ได้ให้ท่านตักนา้าเราเช่นขนฟืนอย่างนี้พวกผมก็ไม่ได้ให้องท่านทำเป็นแต่เพียงท่านควบคุมหมู่อยู่เสมอๆไม่ได้ขาดเวลาตักน้ำท่านก็ไปถึงนำเบาท่านชังเกตด้ยวย่าพระกอพระขอพระคอพระงอององไหนมาบ้างองไหนทำจริงบ้างองไหน ไม่ทําท่านต้องประปวดดูเสมอสมๆตลอดจนในเวลาทํา้อวัดของหลวงปู่มัน่นท่านไม่นำมาทำํำนัะแต่ท่านนับในเรื่องอื่นนับในเรื่องออกห้องคิดเพื่กุมหมู่เพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายของหลวงปู่เพราะเป็นมือขวาของท่าน ผมเองหลวงปู่มัน่นกับหลวงปู่มหาในสังสอนเสมอกันสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมก็มาถามองค์ท่านมาก่อเรียนองค์ท่านอีกโสดหนึ่งท่านก็บอกว่ามวหมายความอย่างนั้นหมายความอย่างนี้พระคุณของสองพระองค์นี้กับผม ต้องลงก้าวลงขโม ง, ง, องออแต่องค์อื่นท่านก็ดีวิเศษอยู่แต่ผมไม่ได้พ่อ ย, อยู่กับองค์ท่านนานเช่นหลวงปู่ฟั่นก็ดีไม่ได้พ่อ ย, อยู่กับองค์ท่านนานเป็นเพียงได้เจอได้พบได้เห็นท่านในเวลาท่านมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้น ไม่ได้ไปนอนค้างคืนในวัดขององค์ท่านและไม่ได้อยู่พอเห็ุวันกับองค์ท่านหลวงปู่เทศ ไ, ได้อยู่พรรษาหนึ่งพันถาาที่สองก็อยู่กับท่านอาจารย์เหรียนสามปีปีหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เทศสองปีหนึ่งอยู่กับท่านอาจารย์เหรียนแล้วก็กลับมาค้างทีา่าล เรื่องปฏิปทาใดที่จะเป็นทางออกโลกออกสองสารรลองปู่มั่นนำมากล่าวนำมาเตือนทิศเสมเณีนบ่อยๆจึงกลองกับคมทีวิสุทธิ์เขมบอกว่าสิ่งไหนจะเป็นเครื่องหายเป็นเครื่องคลายเครื่องหดเครื่งพ้นทิศเสมเณีนผู้หวงผลทุก จงชวนกันพูดจงชวนกันสนทนาจงชวนกันสนใจเถิด อ, อย่าไปพูดเรื่องโลกเรื่องสองสารมากเพราะเป็นกิเลสฉานนกถาเรามาพิจนาดูแล้วหลวงปู่มั่นช้ำถูกเพระเมรัยกิ้งไม่มีที มองคืนดูข้างหลังในยุคเพียงหลวงปู่มั่นมานี่ก็ไม่ถึงพอห้าสิบปีหรือสี่สิบปีในระหว่างสามสิบปีท่ะนที่การปฏิบัติของพระมันก็ลบเลือนมาบ้างแล้วที่นี่สองพัน ห้าร้อยกว่ามาแี้วจากยุคสมภพบรมนาศชาดาจะเปลี่ยนแปลงมาสักเพียงไหนเรามาลองคิดดูนี่พอแล้วแต่ก่อนนิฐานได้ความว่าคงเป็นวัดป่าทั้งนั้นวัดว่าคามาวาสีคงจะมีน้อยนะ ก็เหตุใดก็เหตุสังเกตปัจจุบันในระหว่างสามิกว่าปีวัดสุดทธวาในระหว่างลพบุู่มัณะธรรมก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิ ทางบินทบหนึ่งกิโลกว่ า, วาข้ามทุ่งไปริบบี่ริบบีแต่เดี๋ยวนี้เป็นหมหัศแล้ววัดป่าเก่าๆคํามันกันที่นี่ สีมาตจก่อนก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิเดี๋ยวได้นี่ก็เป็นเมืองหมดแล้วภ า, ายในไม่กีป่ปีในยุคขลางพุทธกาลวัดป่ากูดาคารป่ามะขาววันก็เป็นวัดป่า วัดเชตตะวันมหาวิหารก็เป็นวัดป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีวัดบุพพารามของนางวิสาขาสร้างถวายก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีเป็นวัดป่าเต็มภูมิ รัทิวันสวนจานุของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิอัมพ่า นางมันลิกาก็เป็นวัดป่าเต็มภูวัดต่างๆในพระไัยพิดกมีตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นที่เขาทำให้ตามภูเขาหลังภูงเขาก็มีเพราะในบารีทุกคน ว่าให้ยินดีในเนสนาชนะป่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่วัดบ้านเกิดขึ้นทีหลังเพราะอยู่มาบ้านเมืองมากขึ้นก็แต่แก่ออกมาส่วนวัดอยู่อยู่คงที่ ขาแยงที่ดินของวัดเข้าด้วยคงจะมีวัดป่าเป็นส่วนมากในอนุชาตก็บอกให้ยินดีในเจ้านณะป่าอรัญเยรุคมุเรวาใครรับฉันดู เราได้เป็นผลเป็นไปเพื่อความกำลัดยอดใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมครองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากเป็นไม่สนุกยินดีเด้อยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียดข่าหนึ่งเป็นไปเพื่อความเรื่องยากนะทำเหล่านั้น ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศามีในโครจะมีสูตรทาที่บรรพิต ค, ควรพิจนรานังเนือไในส่วนตัวเพาะตัวก็มีอยู่ทุบอย่าง บรรพิตพึงพิจารณาหนังเงืองว่ามันนี้เรามีเทศต่างจา ก, จากคืหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการกิริยา น, นั้นๆสองบรรพิตควรพริจารณาดังเงืองว่าความเลี้ยงชีลิศของเรานื่องด้ผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขายังง่ายสามบรรพิตพึงพิจารณาดนังเมืองว่า อาการตายวายกายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่บันพิกิตพึงพิจเกณานือเนืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยฉินได้หรือไม่ห้าบันพิชิตพึงพิจเกลนานือเนืองว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรับของเตอาใจดังนั้น หกบรรพิตตึงพิเกลนานืงเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วหกบรรพิตตึงพิเกลนาเนงเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรยอยู่ บรรพชิดพึงพิการณานเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่บรรพคิตถึงพิจารณานเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะเป็นผู้ไ ม, ม่เก้อขืนในเวลาเพื่อนมบรรพคิดถามในการภายหลังถ้าหากว่าเราไม่ละ ขัโดไม่รับกินดีในเสนาสนะป่าหรือไม่พิเกลานงงในเมืองไมส่วนข้อต้นและไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยมันไปคิดถามสมาธิสมาบัติหรือการปฏิบัติเราปอเกขืนเราก็ตอบไม่ได้ถ้าเรารถ้าถ้าเราประพฤติตามนั่นก็เป็นคาปูุงการข้ามเราก็ตอบได้ไม่มากก็ต้องน้อย ความปฏิบัติเด็ดเดียวมันเป็นเครื่องเหนียวใจของท่านผู้ประพฤติพรมจันย์เพื่อคนทุกในปัจจุบันในชาติการประพฤติเด็ดเดี่ยวจะประพฤติยังไงรับไค่ในข้อวัดปฏิบัติภาวนาวัดเป็นของสำคัญมาก ภาวนาแบ่งออกเป็นสองถ้ามีเกตจำนงปิดสมเพื่ออามิธก็เป็นโลกิยาภาวนาถ้าภาวนาเพื่อหวังผลทุก์ในวัฏสงสารก็เป็นโลกุตระเกตนาและโลกุตระภาวนาเมื่อจิตใจจะไม่ถึงก็าตามแต่พอเอื้อมมือถึงแล้ว เรื่องคินาไปถึงแล้ววัตถะสองสารไม่เป็นของง่ายง่ายเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บ เ, เ, เรื่องตายมันไม่เป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่โต แต่ก็หากป้าเป็นของเล็กน้อยของผู้คุ้นเชือ่อของใหญ่โตวหวฐานของผู้เหลาของผู้หาทางออกทุกเในวัตรสงสารมันจะอ่อขาดในสันทะสันดานของผู้อย่างในคนทุกแล้ว ท่านผูที่ยาไม่พ้นทุกในวัฏจัรสงสารจะรู้ตัวว่าทุกข์เพื่อไม่รู้ตัวก่อตามแต่ก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองก็ยังไม่พน้นทุกข์อะไรอะไรในโลกก็ไม่เท่าทุกขที่ยังไม่พ้นในวัฏจัรสงสารไม่พน้นกับกิเลส ข, ของตนจะสําคัญตนเราเป็นสุขตะเพียงไหมก่อตามความสาคัญอ น, นันต์พอทำให้กิจเป็นหมันคุกในวัฏจัสงสาร ก็มีอยู่สี่คุกคุกเกิดคุกแก่คุกเก็บ ค, ค, ค, คุกตายว่าในชาติก่อนชรลาพุ ช, เชเเทท ะ, ทะเกิดในใคันอันทิชเกิดในไข่สังเทตะเกิดในเข่าไกโอปปาทิกะเกิดทุกข์แล้วนี้เป็นคุกทั้งนั้นลกูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทุก หนังคงอยู่ได้รอบก็เป็นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะยังไม่พ้นไปจากหนังก็ยังลงหนังอยู่ห้งว่าเราว่าเขาว่าสารวุบุคคลเป็านหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละเจ้าตัวทั้งผู้เทศและผู้ฟังจะพิเกลนาทวนกระแสดูตนจึงเหล่านี้จะห้หามผ่านว่าคนนั่นดีคนนี้ซั่ว ก็ไม่ถูกการคนก็ตามพิจารณาตรวจอยู่ตนเองเพราะนั้นถูกแพ้ก็ต้องถูกแพ้ตนเองถูกชนะก็ต้องถูกชนะตนเองถ้าแพ้ก็แพ้กิเลสของตนถ้าชนะก็ชนะกิเลสของตนถ้านอนใจก็นอนใจในกิเลสของตน